คนเรานะเวลาเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายนะเช่นมาเรียงโรคหัวใจเนี่ยหมอก็มักจะแนะนำว่าให้พักผ่อนเยอะๆนะหลายคนก็ไปเข้าใจว่าก็หมายถึงนั่งๆนอนๆนะไม่ต้องออกกำลังกายหรือขยับขยื่นอะไรมากแต่ที่จริงเนี่ยการออกกำลังกายนี่เป็นของดีนะแม้กระทั่งกับผู้ป่วย มะเร็งเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เขามีงานวิจัยหลายงานพลออกมาก็พบ ว, ว่าเนี่ยเพียงแค่ออกกำลังกายเบาๆใช้เล่นโยคะเนี่ยมันช่วยให้โรคมะเร็งเนี่ยลุกลามได้ช้าลงหรือว่าที่หายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่นะซ้ำอีกเนี่ยน้อยลง เพราะสูตนี้ได้ไงนะก็สูตรจากการทดลองนะนำผู้ป่วยมาเร็งเนี่ยประมาณห้าร้อยคนอายุเฉลี่ยประมาณสักห้าสิบหปีนะไปเลยกว่าสองวอแล้วล่ะทั้งหมดนี้ก็เคยได้รับการรักษามาแล้วนะตั้งแต่2เดือนไปถึง5้าปีอาจจะเป็นใช้แสงฉีเคมโมผ่าตัดแล้วก็ให้มา ทำกิจกรรมโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มแรกนี่ก็ให้เล่นโยคะอาทิตย์ละสองครั้งครั้งละ75นาทีอาทิตย์หนึ่งก็150ห้านาทีนะสองชั่วโมงครึ่งรวมทั้งหมดต่อเนื่องเป็นเวลาสอาทิตย์หรือ1เดือนอีกกลุ่มหนึ่งก็ ให้มาเข้าคอร์สเรียนฟังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสุขภาพนะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งอันที่หนึ่งก็สองครั้งครั้งละนาทีเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างนะเพียงแต่ว่ากลุ่มหนึ่งเล่นโยคะ ก, กลุ่มหนึ่งเข้าชั้นเรียนพาไปนึงเดือนเนี่ยเขาตรวจเลือด เ ว, ว่ากลุ่มที่เล่นโยคะนี่ผลเลื่อนนี้ดีกว่าก็ดูจากการอักเสบเนี่ยในร่างกายมันมีน้อยลงอย่างนี้การอักเสบนี่มันก็มีผลนะต่อการเกิดโรคข้อดีมันก็มีนะแต่ข้อเสียมันก็ไม่น้อยอย่างเช่นโควิดเนี่ยที่มัน ทำอันตรายปอดเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบขึ้นมาเมลเดเงก็เหมือนกันนะถ้ามีการอักเสบมากๆนี่มันก็จะลุกลามหรือว่าที่หายไปแล้วก็อาจจะเกิดซ้ำอีกนะผลตรวจเลือดของคนที่เล่นโยคะนีะ่มันดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ไม่ได้ทำอะไรนอกจากฟังบรรยาย เาะฉะนั้นก็มีนาโนว่าคนที่เล่นโยคะเนี่ยเป็นประจําเนี่ยแม้เป็นมะเร็งเนี่ยแต่ว่ามันช่วยทําให้มะเร็งมันลุกลามช้าลงหรือว่าที่หายไปแล้วก็โอกาสที่จะเกิดซ้ําใหม่ก็น้อยลงกลุ่มนี้เนี่ยนะซึ่งเป็นนักวิจัยชาวอเมริกาก็ยังศึกษาต่อไปนะว่า้การเล่นโยคะนี่มันจะมีผลดีอย่างอื่นไหม ก็ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ย น, นะเกือบ200คนอายุเฉลี่ยก็60ปีให้มาแ บ, บ่งเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มแรกก็เหมือนเดิมนะเล่นโยคะทำโยคะอาทิตย์2สองครั้งครั้งละ75นาทีเป็นเวลาหนึ่งเดือนอีกกลุ่มหนึ่งก็เข้าคลาสเข้าการอบรมเรื่องสุขศึกษาอนามัย อาทิตย์ละสองครั้งเหมือนกันครั้งละเจนาทีบอกก็ว่ากลุ่มที่เล่นโยคะเนี่ยนะให้ความอ่อนเพลียเนี่ยมันน้อยลงกระชุ่มกระชวยมากขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีมากขึ้นอันนี้เขาก็เลยสรุปนะว่าโยคะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นวิธีการฝึกจิตอย่างเดียวนะมันมีผลในทางสุขภาพด้วยแล้วก็มีประโยชน์นะสหรับ ผู้ป่วยมะเร็งนะแล้วคงจะรวมถึงผู้ป่วยโรคอื่นด้วยอันนี้ไม่ใช่ยกข้างเดียวนะก็อนออ ก, กำลังกายหรืเช่นการเดินเนะี่ยมันก็ช่วยนะใกล้ๆกันเนี่ยมันก็มีที่งานวิจัยของบราซิลนะผู้ป่วยมะเร็ง 2,600 คนนะเขาก็ให้มาทดลอง ด้วยการเดินวันละ30นาทีต่อเนื่องนะเป็นเวลา1เดือนเดิน ว, วันละ30นาทีนี่แค่อาทิตย์ละ5วันนะหยุดพักเสาร์อาทิตย์แต่ว่าทำทุกอาทิตย์นะครบ1เดือนแบ่งเป็น2กลุ่มเหมือนกันนะกลุ่มหนึงก็เดินนะทุกทุกวัน หาวันต่ออาทิตย์อีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งๆนอนๆและหลังจากนั้นรากว่าเขาตามผลนะเดือนหลังจากนั้นกลุ่มที่ผู้ไปมาแรงเนี่ยที่เดินวันละ 30, 30นาทีเนี่ยที่มีชีวิตยอยู่นะส่วนผู้ไปมะแร็งที่ไม่ได้เดินอะไรเลยเ ยังมีเช่วออยู่แค่ 75% นะแล้วก็เลยสรุปว่าเนี่ยการเดินออกกำลังกายแม้เพียงเล็ก ๆ, ๆน้อย น, อยนี่หรือไม่ได้ใช้เรี่ยวแรงอะไรมากนี่มีผลดีนะต่อผู้ป่วยมะเร็งไม่ว่าจะเป็นการเล่นโยคะหรือว่าการเดินอันนี้มันก็อาจจะสวนทางกับความก้าใจของคนไข้แล้วก็ ผู้ป่วยรวมทั้งหมอจนน้อยที่คิดว่านะ้รับเป็นมะเร็งนะหรือว่าเป็นโรคร้ายนีนะ่ต้องพักผ่อนเยอะๆขยือนขยับให้น้อยๆการทำอะไรเนี่ยที่ใช้แรงหรือว่าขยันขยับนี่มีประโยชน์มากนะไม่ใช่แค่โยกขาหรือออกกำลังกายแม้แต่เดินนะไปซื้อของไปจ่ายตลาดหรือว่า ทำกิจต่างๆในบ้านเนี่ยไม่ใช่แค่นอนๆเนี่ยมีประโยชน์มากนะทั้งต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ไม่ป่วยเมื่อหลายสิบปีก่อนมีเพลงหนึ่งนะของไทยนีเพลงกล่าวกีฬาเขาบอกว่ากีฬากีฬาเป็นยาพิเศษเนี่ยจริงการออกกําลังกายต่างหานะที่มันเป็นยาพิเศษนะถึงแม้ไม่เล่นกีฬาจะออกกาลังกาย หรือขยันขยับร่างกายก็เป็นยาพิเศษนะเป็นยาบำรุงนะบำรุงคนป่วยให้มีอาการดีขึ้นนะหรือไม่ป่วยก็ช่วยบำรุงไม่ให้ล้มป่วยนะอย่างอย่นี้นี่ก็มีงานวิจัยมากมายที่ชี้ว่าเนี่ยถ้าออกกำลังกายแล้วนี่นะโรคมะเร็งโรคหัวใจนะ หรือม้แ่โรคซึมเศร้าไปยนถึงโรคต่างๆที่เกี่ยวกับจิตใจเช่นอัลไซเมอร์โรคความจำเสื่อมเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดน้อยลงหรือเกิดช้าขึ้นคล้ายๆว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันต้องการการขยียื่นขยับไม่ว่าจะอยู่ไวไัยใดแม้กระทั่งวัยชราก็ต้องขยี้ยื่นขยับ อยู่นิ่งๆนี่นก็มีโอกาสจะตายเพราะหลายโรคมากรวมทั้งลิ่มเลือดอุดตันนะคนที่นั่งนานๆเนี่ยลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดดาซึ่งมักจะเกอดขึนขนขคนที่นอนติดเตียงเนี่ยพอเม่ขยับนานๆ น, า น, นี่ลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยก็ตายเร็วนะไม่ว่าจะเป็นตายเพราะหัวใจหยุดเต้นหรือว่ า, าสมองขาดเลือดนะ แต่ท่ากังไกลนี่มันช่วยได้เยอะเลยมนุษย์เรานี่มันเกิดมาพร้อมกับร่างกายที่ต้องการการออกกําลังกายนะในขณะที่ชีวิตในสมัยใหม่เนี่ยมันไม่เรียกร้องให้คนเราต้องออกกําลังกายแถมส่งเสริมให้คนเราเนี่ยอยู่เฉยเฉยนะอยู่นิ่งๆก้มหน้ามองโทรศัพท์หรือว่าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือว่าดูโทรทัศน์นั่งแช่เงี้ยสมัยนี้มันทำได้แต่สมัยก่อนมันทำไม่ได้นะมันต้องออกไปทางานทำไรทำนานะถ้าเป็นสมัยที่เป็นมนุษย์ยังอยู่ถ้ำนี่หรือว่ายัางอยู่ป่าก็ต้องเข้าปาา่าล่าสัตว์หรือว่าหาของป่าไอ้พวกนี้เนี่ยชีวิตแบบนี้มันเหมาะสําหรับร่างกายมนุษย์นะซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทางานใช้แรง เป็นร่างกายที่เรียกว่าลงตัวมาตั้งแต่เมื่อห 0,000 ่นปีที่แล้วแล้วแต่พอมาถึงยุคปัจจุบันนี้ร่างกายคนเรามันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้ววิถีชีวิตมันสบายแต่ร่างกายเรามันต้องการการออกแรงพอไม่ออกแรงไม่ได้ทำงานใช้แรงมันก็เลยป่วยโน่นป่วยนี่อย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ไว้แล้วเนี่ยนะถ้าว่าต้องการยาบํารุงที่พิเศษนี่มันต้องออกกําลังกายนะ ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดไม่ว่าจะสุขภาพดีหรือว่าเจ็บป่วยก็ตามเพราะมันคือสิ่งมันเป็นสิ่งที่ชีวิตเราหรือร่างกายเราต้องการเพื่อทำงานได้อย่างผาสุก